เรื <pineapple> <BE> <t ries> <c oughs> ่องจากนี <holes> P ano. P ano. ้ท่านบันดาลท่านพุทธบริสต์เป็บพังคําแนะนําเสร็จเล้วเลยเรื่อว่าทีปฏิบัติบันดาลท่านพุทธบริสต์จบการเรียนมาทุกคืนเรื่องว่าอาจจะจับจุดไปได้ก็ได้นี่การปฏิบัติที่เราทํากันอยู่นี้คือทราบว่า ต้อมีทั้งศีลัสมาธิทั้งปัญญาควบคู่กันไปและว่าเสมอๆกันคําว่าศีลเป็นภาคพื้นในการปฏิบัติถ้าศีลของเราไม่บริสุทธิ์เป็นการยากที่จะทำสมาธิหรือปัญญาให้เกิดขึ้นได้และก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติแบบนี้ เป็นการปฏิบัติแยกออกจากสมาธิธรรมดาทำไม่แยกออกนี่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใช่สมาธิธรรมดาสมาธิธรรมดาที่เราปฏิบัติที่เราเรียกรู้ว่าสุขาวุปัสสโกก็เหมือนกับเราสึบตาอความรู้ในห้องเรียน เรียนจบปหนึ่งอสองอสามอสี่จะสร้างชืงอนักเตอร์ที่ว่าเป็นหลักวิชาที่ดีเฉยๆแต่ก็มีผลในการบรรลุการบรรลุมักผลตั้งแต่พระโสดาบีคาทานาคารหันอันนี้นั่งรู้ได้แต่ไม่เห็นสีเห็นจักรวาดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ เาการปฏิบัติแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราศึกษาวิชาในโรงเรียนแล้วก็ไปศึกษากษารเล่นกีฬาอีกตัวห น, นึ่งที่ทเรียกว่ากีฬาสมาธิถ้าเมาื่อกีฬาสมาธิไม่สามารถใช้กำลังของสมาธินั่นเพื่อเห็นและ เ, เพเคลื่อนไปสู่ภพต่าง ที่เราไม่สา ม, มารถเห็นได้ในชาเนื้อหรืเราไม่สา ม, มารถจะมีคว า, ามรู้ในความรู้ปกติของเราเพราะฉะนั้นชาเนี้ท่าน เ, นเรียกว่าปิญญาอาปญญาแปลว่ารู้ยิ่งหรือว่รู้เกินความรม้ธรรมดาปีญญ า, านี้ต้องแบ่งอนกไปสองประเภท สำหร i, Pokémon, ับโมจิทิจัดเวทพิญญาหนึ่งในหกพิญญาสำหรับปัญญาอีกส่วนหนึ่งก็ทําได้หอพิญญามีการคำนวณได้มีหัวเป็นที่เป็นต้นนี่การปฏิบัติแบบนี้จะจะเป็นการปฏิบัติแบบที่เราทานี่คนดีเรื่องวิญญาของคนดีปฏิสัมพัทา์ยันคนดี กำลังจิตของบรรดาทุกท่านต้องนสม่ำเสมอกันในศีนศีนเป็นธาตุพื้นใหญ่สังเกตดูให้ดีว่าการฝุดเนี่ยมีผลต่างกันระหว่างพระในีกับประวัดถึงหลัการในนี้ฝึกได้ยากก็ไรเพราะว่าพระในนี่มีติขาบมมากพระมีสองรอยยี่สิบเจ็ดติขาบม ทีจะองามาระวังรักษาเพราะว่าเป็นโพชินยาบุคคลฉันแบบเนนบมศีษเพราะว่าทีแ้าศในศีรษะที่จะบังคับเราจริงๆมีมากน้อยต่ากันนั่นแต่เราฝามีการบกข้อในศีรษะหมที่จปปฏิบัติที่เราเรียกว่าศ เม่บุกต้องก็ไม่สามารถจะเคล่นตัวไปได้นี่นเรียกว่ายางมีผลเร็วกว่าพระเนรเพราะพระเนรมีเมตตาตาช่างครูบาอาจารย์สอนเมตาที่าาาาาาไ ม, ม่ถูกไม่ควรเต่ว่ า, ยาเยาว์โตท่านจะรับ ก, การศึกษ า, านนมนนไม่ได้เสียถึงโตถ้าตีขาหมดเล็กน้อยเราละเมิดได้ไม่เป็นไร นันแหละเป็นปัจจที่มันเเคลื่อนไปไม่ได้ถ้าจะเห็นเลยว่าถ้าเราบริบัติดีการจะสมาธิแบบนี้จะเป็นการีที่มองเห็นพาในขณะใดถ้าจิตใจถ้าเราบริสุทธิ์ในสีขณะนั้นคืนนั้นหรือเวลานั้นระวนั้นถ้าเราค่อยจะมีการเปลี่ยใจ จ, จะเพื่อกานจะเข้าจิตจะเข้าสู่สมาธิต่อเข้าง่งง า, ายอารมณ์การจำใสเห็นอะไรก็ชัดเจนมีความรู้ก็เร็วในด้านปัญญาถ้าหากว่าวันใดจิตใจเข้ากต้องบริศินวันนั้นความมืดมัวของจิตจะเกิดขึ้นอันนี้ในสมัยก่อนเขาไม่เจรมากันแบบนี้ ถ้าเราเชื่อว่าการเป็นของไม่ยากสินห้าถ้าวันนี้มันต้องแต่เราตั้งใจจะมาทานด้วยความจริงใจความแจงใจถ้าจิตไม่ต้อเกิดตอนหลังแล้วะ้ามาเอินจะนำบัติขาหมดใหญ่แต่ถึงสังขารดเสร็จไปก็เลยตีตัวไม่ขึ้นก็อาจสังขารดีเสร็จไปสามาจะแก้ด้วยการแสดง เพยแค่บัดทุกข์ตัวเดีย ว, วเขาเห็นว่าจิตมีความไม่สงมบมอยู่มากมี่เรื่องเข้าศินเป็นเรื่องใหญ่ขอมันดาท่านพุทธษัยจตุสัตว์ให้ถีอว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเป็นข้าวพื้นที่เป็นก้าวข้นไปสู่ระบบที่เราจะเป็นเข้าสินเอ็นสมาธิที่ศาสนาทำนับสมาธิ ธรรมาสมาธินี่เป็การตั้งใจสมาธิที่เขาไม่มีอะไรมากเป็การสร้างใจแต่ว่าการสร้างใจสําหรับการพุทธบุญญาก็มีความจําเป็นที่ต้องใช้ธรรมวิญญาแต่การกับอย่างอื่นที่แม้ว่าจะพุทธบุญญาเอากไมกันถ้าพุทธบุญญาออก็หนักมากเราจะต้องใช้แต่สิ้นทั้งสิอย่าง เราติณแต่อย่างตัวการใช้คำวิจารณาก็สต่างกันใช้อารมณ์จับนิมิตรตัว <as> <mentation> ่างกันมีบางคนเคยถามว่าทำไมจึงต้องใช้คําวิจารณาอย่างนี้ทําไมจะใช้ติณไม่ได้หรือแตความจริงอาตมาเรคิดว่าอาตมานี่ก็วิญญามที่สุดที่จะหาทางให้มันง่ายที่สุด แต่มาคนก็กลับมาหาทางที่มันยากสุดๆ่อเลยไม่รู้จะสนใจอะไรไปแก็ถามมาเวลานี้เขาเริ่มทำศีลกันแล้วหรือก็จะต้องบ่าว่าผู้ถามมี่จะโง่ก็มีหลายๆเป็นันมนุษย์จะโง่กับเองมีเรมีคนประเทศนี้ก็ไม่คนอดดีก็เรียกคนอดเร็ว เฮ้ยไม่ไม่ไม่วามรู้อะไรจริงๆิังใจความจริงการทดสอบมหาจุดมโนวิยีนี่มันถึงสองยากถ้าเราใช้กับสินตอนนี้คิดว่าอาทั้งาบิีิสงสัยว่าจะได้หรือไม่ได้ตอนนี้ก็อะไรก็กำลังใจของคนเราเวลานี้อ่อนแอลงไปมาก ถ้าเราจะถอยหลังก็ไปทั้งสี่ห้าสิบปีเราเห็นว่ากำลังใจของคนสมัยนี้กักําลังใจของคนสมัยนั้นต่างกันเยอะนี่ถ้าใครถามว่าถทาการสุภมโนยิตีนี้ถ้าต่อไปจะปุตตสินจะได้ไหมก็กอบว่าถ้าว่าแท่งคร่องนามโนยิธิเรื่องจะสินสิบอย่างเป็นของง่าย อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งหนา้าสิบอย่างก็ฝึกเพื่อจะเข้าถึงมโนยุิแล้วสิ่งหน้าสิบ อ, อ, อ, อย่างนี้พูดง่ายๆก็ต้องการฝึกเพื่อเข้าถึงนิจตาสามและเข้าถึงหน้าสิบ ย, ยหกจะได้รู้ว่าทุกท่านได้มโนยุติมี้จริงๆจจับสิ่งกองไหนก็ตามเป็นของง่ายเป็ น, ห, นปหมด เพราะนั้นว่าที่เราเรียนในธมะนี่ข้าถึงมโนจิติมันก็เลยมันเป็ น, ปนผลมันก็สินไปแล้วไม่ใช่ขึ้นแต่สินถ้าถึงเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ที่เราปลูกลงไปก็หวังจะได้ดอกหวังจะได้ผลแต่ยอดมาโนจิตินี่มันเป็นผลของกรสินถ้าเราปฏิ บ, บัติตนเข้าถึงผลของกระสินก็ทำไมเราจะจากต้นมันก็สินไม่ได้ ให้ถามไปทีว่าควรที่จะับไปทํากระสินใหม่ไหมอันนี้ก็ก็ต้องข อ, อยกให้ เ, เป็นปัญญาของท่านถ้าท่านโง่ก็ควรจะกลับย้อนไปจัดกระสินใหม่ถ้าปัญญาจันลาดมันก็ไม่จำเป็นอาง น, นี้พข้อใดข้อว่าการสึขโมโยทิมันเป็นผลที่เรายะเหได้แกกสินดยการปฏิบัติอย่างนี้มันก็ได้เสร็จแล้ว พยายามจะขึ้นต้นใหม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่ระวังกำลังใจมันจะตายไปเป็นใจแค่อารมณ์คนจะได้รู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าที่นั่นี่นั้นนี่ไม่มีใครโู้ตามนั้นจะรู้มีจะจะปรากฏว่าอนริยะไม่ไม่กามีก็มีคนโง่ก็เป็นนี้มาถามก็จึงเขอพูดเจโา นารพูดแกโง้ไว้ประเดีที่เรยโน้ตตากเขาก็เคยรู้ว่าไม่ก็มาะกที่ก็มาปฏิบัติมาพอจบแล้วมีคนมาถามว่าเวลานี้ไม่จะเลยจะสิ้นแล้วหรือไม่ทำแล้วหรือจะรู้สึกว่าคนงมอแบบนี้ยังมีอยู่ก็น่าจะลดใจ กานจริงการปฏิบัติแบบนี้จะลองดูก็ได้ถ้าท่านทำกันได้จริงๆิมนโนยิธิทิ้นได้แล้วคล่องจริงๆริได้ว่าจาดกระสิ่นมาทุกอย่างทุกอย่างมันเพเริ่มจากพับกระสิ่นแต่ลนกองจะเป็นร่ากายทันทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ปเก้าสิบ อันนี้ไปถามไม่ยากเลยก็จิตถิ่นก็ถิ่นจะได้หรืไม่ได้อยู่ที่อารมณ์จิตเป็สมาธิต่อไหมแน่ว่าได้มโนมิตรจริงๆกาลังสมาธิตอพระโยค่ไปดีต่อเกินอารมณ์ของถิ่นพอเข้าถึงผลอย่างอรเสนเคยถามว่าถินสิบกองจับได้จับจจับจับจจับจัจัจับจับจับจับจับจับจ ให้เวลานิดหน่อยเ่อจะได้จะทับไปทับตรงจับเอาพุทธินันต์ใส่ที่ปฐวีก็ถึงจะตัดเจโเโก็เโวาโจถึงาโก็งมีเนียโอ้เจหิก็ถึงนิระก็ิตตกาก็ถอารมณ์ก็อาการก็แล้วก็ เอเราจร่ากายก็สิ้นร่ากายก็สิ้นว่าง่างกายก็สินรางกายก็สินแสงสว่างตัวได้ก็สิ้นถ้าเราจะจับจริงๆมันจะขึ้นเป็นเวกายอันทีทันใดจะแสดงว่าจิตก็จับยอดสติไม่เลยไอ้พที่สัวในกางนี้นะมันหมายความว่าทุกคนที่นั่นี่นี่มีคาโอย่างนั้น แต่ว่ามีคนโง่้บ่อยๆมาถามก็เลยวามมังค่ด้วยกันเตรียมใครก็เขาสอนอย่างนี้อยู่กรรมฐานทั้งอย่างโน้นเขาสอนอย่างนั้นกรรมฐานทังอย่างโน้นไอ้กับข้าวที่กำลังจะกินวางอยู่ข้างหน้าไม่กินไม่ได้ชอบจะไปกินในของที่มันไม่มีแต่เพาะไม่มีนัถ้าเป็นการตลาดมันก็ดีถ้าเป็นกายแสดงควาโง้ คือมันไม่มีผลให้ขอทุกท่านที่พูดนี่แล้วก็ฟังเข้าใจขอทุกท่านที่นั่งอยู่ไม่ต้องการจะอภปรายจิตใจของท่านหมายความว่าในหมายความว่าใ่านโอ้จะใครมาถามแกได้บอกว่าจะถึงก็ดีกรรมฐานทุกกองก็ดีก็คือกรรมฐานในการทำกรรมฐานทุกกองมีตะสินโดยกะตามคนที่ต้องการก็คือทำสิ่งสติสมาธิ ถ้าเราจะสิ <intent>? ่งเทวเจ้าวทรงจัตไว้เพื่อเจริญญาเมตตาได้ว่าเราต้องการจะสุขวิญญาณวิชาสามเราก็มีความจําเป็นจะต้องเอาใช้จสิ่งเป็นพื้นฐานอันนี้ที่เราปฏิบัติการนี้มันเป็นกับสิญญเวลาทำอะไรเจสิญญไม่ใช่เจริญญาเรียกว่าการต้องการก็คือจิตสมาธิ สาหรับเราถินให้เป็นกรรมฐานยากคําว่ายากไม่ใช่สองคำหมายความวาจับภาพเป็นมาเป็นพื้นฐานเป็นของยากจึงเป็นง่ายเป็นทางสี่ได้ง่ายแต่ว่าอะไรที่เราปฏิบัตินี่ไม่ใช่ถิ่นเป็นการยึดภ่าสี่เป็นพื้นฐานเป็นกรรมฐานที่มีความละเอียดกว่าจัไม่ยากกว่า ทำไมถึงเอากรรมฐานนี่จับได้ยากกว่าจะถึไม่ใช้ทั้งนี้ก็เพรว่าอาหารว่าอันนี้จับได้ยากกว่าถ้าเราจะไปใช้เราถึงก็เลยจับง่ายกว่าในเมื่อเรามาจับของนี่น้อยกว่าทํามันมาจับได้แล้วมีผลแต่หันก็ไปขอจับของที่ยากกว่ามันจะจับได้ง่ายกว่าเยอะนี่เป็นผลอย่างนึง เมื่อตอนนี้ไปก็พนิพุธยาไปนิดๆเก่อตอนนี้ไปเราขอพูดถึงวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติขอธรรดนาที่พุทธบริษัทที่จะให้ได้จริงจังเพรว่ามันก็ยากอยู่นิดที่ว่าทําไมการปฏิบัติถึงได้รวดเร็วไม่เสมอการท่านี้ก็หมาว่าถ้าบางท่านเคยเจริญกมรมฐานอย่างอื่นมาแล้วจนสิ้น มาจากคำภาวานาแบบนี้ใช่หรือไแบบนี้ถึงแยกมาจากอารมณ์เดิมอารมณ์มันก็แยกกันถ้าว่าอารมณ์แยกกันว่าอารมณ์ตอนเราใช่จนจริจงเอาไจับยาใ้เข้าอารมณ์ตอนดึงอารมณ์เดิมมันจะน้อมไปหาของเก่าได้ของใหม่เราก็จะเอาของเก่าเราก็จะดึงกลับ เาอถ้โพูดนี่มัจมายความว่าท่านคนนั้นเลไออมันเป็นของธรรมดาล เ, เลยเออขอที่เราใช้มาจนชินพอเนเข้ามาจิใจ้ก็ที่หลอบอกัดเมื่อเปลียทางเด <c oughs> ินใครจะว่าจะไม่ใช้คำวานาเดิมได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้แต่ว่าผลที่จะเห็ น, หนอะไรต่ออะไรมันอาจจะได้หรือไม่ได้ทีอย่างน ไอ้ชาในกรมภาวนาอย่างนี้มันเป็นกรรมภาวนาจะพอติดแทนที่เราจะใช้สติทั้งสิบเราก็ไมใช่อย่างเดียวถ้าเาว่าเราจะฝึกแปลปกติจะทําให้ได้เหมืันก็คนที่ก็สมรสินสิบมันทำไม่ได้อีกถ้าอยากจะไปใช้สิญญาวิทาสัยมก็ต้องไปหาได้สิอันนี้อารมณ์ก็ดึงกันคนที่ได้เงินได้ของเก่ามาแล้วก็ดึงอยู่ครับหนึ่ก็ได้ชาเป็นเรา สำหลับที่ท่านไม่เคยทําอะไรมาเลยก่อนทําไมยังได้เพราะว่าท่านไม่มีอารมณ์ดึงคืว่าถึงจับน้ำมันปลาแซเพราะว่าน้ำมันปลาก็น้ำมันปลาแซไปเลยของเก่ามันไม่ดึงยิ่งได้เร็วกว่าฉะนั้นท่านที่ครับว่เจริญยาอื่นแล้วได้ช้าไปหน่อยแต่ย่าไปนามตัวเองว่าเร็วมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาก็จริงจริง ที eses, so, ่ต่อไปต้องมาพูดถึงการปฏิบัติขันยังไงอารมณ์จิตเรียนได้ก็ต้องใช้อารมณ์จิตของเราเบาๆอย่ามาแรงนักเมื่อการขึ้นก็มาแางแบบนี้เป็นกายขึ้นโลกปจารสมาธิไม่ใช่ก้าวขึ้นโดยกําลังที่ตายเป็นการแตะแตงละทายอยา่อาการแทบเบาๆม่ต้องเบามาจากศีล อารมณคุมส she so, ouais? ินเบาๆเพสบายสบายไม่ต้องเห็นเรเครียดอารมณคุมสินแบบสบายสบายก็แสดงว่าสินอยู่ในกำลังใจของท่านทำหน้าหรือกำังที่จะทำลายสินที่สิ้นสุดเพาะเรื่องภาวนาเราก็ภาวนาบบสบายๆสบายๆไม่นั่เกินไปหรือก็ไม่ย่อหย่อนเนไปพอใจเป็นสุข ทำภาว น, นาว่นานามบัพตาให้ขึ้นใจทีิงๆถ้ามีคนถามว่าภาวนา น, นามบัพตาแล้จ้าพุทโธไปไว้ที่ไหนจะมีคนถามใจกต็อตอบว่าพุทโธก็ยังวาไว้ในใจของเรา <c oughs> ถ้าเราองการทิ่ทบไยเงาไปสุขมันดาระเวลานาพุทโธรัตมะระหรันก็ได้ ถ้าว่าต้องการจะใช้กําลังจิตจริงเพื่อเห็นอยากนั้นอยากนี้เราก็ไม่ใช้น้ำมันกระป๋าถ้าตัวแล้วจะใช้ถ้าต้องการเย็ดจิตเป็นสุขก็ภาวนาตามสบายที่เราจิตถ้าอะไรใชอารมณ์เพื่อรู้หรือว่าโผล่เข้าสู่อกอื่นแล้วเราใช้แบบนี้เหมือนกับต้องอย่าอยู่เป็นสุขนอนอยู่กับบ้านไป้หน้าไร้เนาท่าไหนก็ได้ ถ้าต้องการจะไปที่ไกลก็ต้องใช้พาหนะต้องใช้รถต้องใช้เรือเป็นต้นคาว่าโาวาภาวนามารว่าก็หมายว่าเป็นสิ่ที่รวมกําลังข้อจริยาทั้งหมดก็มาไว้ในจุดเดียวกันเหมือนกับเราใช้รถหรือใช้เครื่องบินเข้าใจตามนี้นะเป็นคําโำภาวนาใดๆนั้นไม่หามวิธีที่ไดจริงๆต้องใจสบาย อาร t ณ์ที่เปิดประตูอารมณที่เปดน่สียัตถุเป็นเหมือาวั่อารมณ์ที่เปิดประก็ม่อารมณ์รักษาที่นี่ตีโตที่น่ตงตัวแบบสบายเล้าผวนาก็วนาให้ใจสบายรู้สึกิดเบาเบาเจาเม่สุดสตรีท่าจะโคตรเมืนั่นนัก เวลาที่เาจะตรงกันห้าก็ให้อารมณ์สบายว่าเาบาันแหละอารมณ์สบายลงเบาเพราะการจงกันใครใหเทีเ่ยวรงให้มันชินกระทั่ามันมีรู้สึกก็จะขอสมบาถ้าจิตใจเราเห็นการเกิดเป็นทุกข์จะนั่งความหาทุกข์มันอยู่ตรงไหนเ น, นอถ้ากาเกิดกายแก่เป็นทุกข์มันก็ยังมังไม่เห็น การป่วยใข้ม e ันจะายเป็นทุกข์มันก็มองไม่เห็นแต่การเสียตายอ่าอาการเสียายทุกเวทนาบีปันต้องมองไม่เห็นถ้าว่านั่นม so ันเป็นทุกข์ขม่จะระด้างกายเป็นทุกข์ก็มองไม่เห็นทุกข์เวลเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นแต่เป็นทุกข์ก็ไม่เห็นป่วยเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นตายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นก็ลงไม่มีความรู้สึกว่ามันจะทุกข์อย่างนี้มันก็หนั อันนี้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เจอะต้องบังคับว่าเกิดมันเป็นทุกอย่างไงแกเป็นยังไงก็ต้องแก้หาว่ะคนแก่ก็เป็นยังไงจึงเป็นทุกข์คนป่วยไข้ไม่สบายเป็นยังไงก็จึเป็นทุกข์เยอะแล้วเจ็บนี้ไม่มีทางไปหรอกมันไม่เห็นรียนต้องจิตมันต้องรู้จักจนถิงด้วยกำลังของปัญญา ไอ้มามีทีวอยู่แล้วต้องขต้องเทียวมาไปตกจะไ่ทุกข์มันมันงมันหาวนไปร้อนไปมาไปตกจะทุกข์การป่ยไข้ไม่สบายนี่คืความป่วยนี่คือมันกินว่ามันทุกข์แกหิข้าวตาฟงนังไม่ดีไปกไม่ทุกข์ตนนี้เา๊ก็มีความรู้สึกันตีละโอนนอโลกของไม่มีใครสุไม่ส ในนอกมันต้องละไล่เบี้ยที่แล้วพ่อละพ่อกระดังยาไทยกำลังไล่เบี้ยที่แล้วพอละพ่อี่ไม่ได้กินชานี้มันชาติไมได้กิมันต้องเล็ดเข้ามาไปเห็นทันทีว่าคนที่ทางานดังการในส่วนมันเป็นทุกข์ทั้งหมดแล้ว้ารทำงานก็เป็นทุกข์นั่งที่เฉยต้องเป็นทุกข์นอนที่เฉยต้องเป็นทุกข์ว่างเห็นทุกข์ต้งการเกิดปัแก่ปัญปวดปัญท ต้องใช้กำลังใจของเรามีความรู้เกียวกโลกนี้ไม่ใช้เรื่องไปเกี่ยวกับคนเป็นะทวดาไดมผลสบายโชคยาไม่ใช่เรื่องพอพูดเลือดหนาก็มาใหมีกาิภาณดีก่านิพพานเทวัาอารมณ์ดีเขาจะนิพพานได้อารมณ์ดาษไหมดาษอะไรดาษอะไรคะความรักอยากมีผัวมีเมีย ดับโลภะความโลภคืออยากรวยดับโทสะความโกรธคือจิตทุกข์กระสานหลับความโง่ผิดแลว่ามันนิพพานโลกเป็นตุเป็นโลกตุเป็นมลโลกตุจิตมีความต้องการอย่างเดียวคือพรนิพพานแล้วจิตมีความต้องการอย่างเดียวเพื่อัภายะ่ารความรัก พัลโลทัรพัลโลตัลโซทัควัมโซพัลโลพัมโลฮารุที่จะมีในอารมณ์จิตที่อบถึงแน่เราจะว่าข้าถึงให้จิตในสบตันบายในอารมณ์เป็นศพเป็นคนที่อยากระกรต่ไม่ทราบศพเห็นทสักถิงนขึ้นมาเราจะว่าความวละถุนี้มาดึงดัความทุกของเระเลยไม่จำเปนมีคนที่เราจะต้องใช้ กาคิดอยากจะฆ่ากันต้องไปขอให้ประโยชน์ไม่มีโทษทไม่ฆ่าเก็ตายฆาาเขากตายอะรก็ตายไปฆ่ากันไหมถ้าจิตใจที่เกิมยึดกันั้ป็นเ ร, นอรเนของเรามาัมนองโง่ถึงีถ้าเราจิตเราเรามีความรู้สึกเรียนีทุกคนมีปัญญาตตาเราสีนั้นดีการทวานาตรงตัว จิตใจคา wie, วามรไม่ได้ปัญญาตลอาไปการรวมตัวพับเยืกไม่จไปนั่งไดเีสมาธิสิญาไปแค่เรื่องเลมาอะไรจะใช้ได้นนั้นอรมันดาท่านพระรริตุสัมพัน่พูดยาวมากตอนนี้กระบวงการเข้าใจอรบันดาท่านพระธรรมจิตตุสัมพันย์ไม่ยนักกว่าอย่างาใจแล้วใจเ้าใจต่อไปนี้ไปแล้วอรมันดาท่านพระธรรมจิตตุสัมพันย์สร้าาให้ดงดิ่ใหม่ กำหนโลู้ลงในใจเข้าออกแค่คำภารนาและทิศนาตามมัธยายาใส่เชื่อนคอยจะยินทิญญาบอกก่อผู้แนะนาด้วยคำพูดที่มั่นใจท่านเวลาที่พูดแนะนำเข้าไปแนะนำนะขอทุกคานพักคํารณนาใช่ไหมพักคำเจรนาทันใจสบายเป็นน้อาใจดยการเสียงที่เขาแนะนำท่านแต่